ได้ติดอุดซเหมือนหมอต้นเองว่าเขาแบ่งเวลาให้น้ําหนักกับการเรื่องใบแป้งมากก็เลยทำใหการเรียนก็เลยต่อยลงไปนิดหนึ่งต่อยลไปนิดหนึ่งก็เป็นเป็นวิธีคิดที่เรีกว่าใช้ใช้ความเขียนนะใช้ความเียนกับใบหยันนะเพื่อเพื่อที่ว่าชนะข้อจํากัดของร่างกายเพราะว่าวิธีอย่างนี้ไม่ได้ข้อจำกัของร่างกายนะแต่วิธีมีข้อจำกัดของ ของจีตใจนะที่ออมาว่าข้อจำกดของร่างกายไม่แค่เท่าไร่เคยได้ยินคนพิการที่ถ้าฟังดูแล้าเกี่กับเที่ยบก็มีคนเก่งแบบนี้ก็เยอะนึงเคยได้ยินว่ามีมีคนพิการที่ตาบอดที่สามารถปินยอดเสาเอเจนต์ได้เทียวได้แค่คนธรรมดาก็บีนเพื่อเพื่อตายเป็นหลายร้อยคนนะออ่าแต่มีคนตาบอดนะ ที่ดีเทเบอเล่ได้นะก็มีนะมีคนษษษษษษที่การที่ทำอะไรสำเร็จอะไรมากมายนะในโลกนี้ไม่ใช่แต่คนมีการคนที่ไม่มีการก็เก่งๆก็เยนะแต่นี่ก็เป็นตัวอย่างโนะยงมมีมีประเด็นไหนมหมยต่เดิมเป็นอามารยเพิ่งได้รู้พรเพราะว่าโยมนี่แหละใช้อันตือมา ก, ก่อนนะต้องได้อ่านตือเ่ ไม่นาน น, น, น, น, า น, นักเรื่องต้นเรือก็เลยลองดูว่าเขามีสื่อก็เลยลองมาดูแต่มี น, นิดเป็นมาแรกเปลี่ยนเนาะบางทีแต่วิธีที่สองการเอาชนะของเขาคนหนึง่ง ม, ม, มันเป็นเรื่องถ้าภาษาพาก็รียกว่าบางทีเป็นเรื่องการเอาชนะการแข่งขันในเรื่องในเรื่องทางโลกเช่นข้อการที่จะเป็นแชมป์นา ในระดับโรงเรียนระดับเกตก็เลยพัฒ น, นาตะเอดให้ด้วยว่ามีทะเบียนค่าในการเกข็บเรื่อยๆซึ่งแต่มันก็แต่เขาบอกว่าหน่วยป้ามีสอนไม่ใช่แต่เรื่องการแข่งขันหรือเรื่องกําลังกายแต่สอนให้เรารู้จักใช้ชีวิตในทางที่ถูกทางด้วยอ่เช่นมันมีข้อจํากัดแต่แต่สามารถเรียกว่าชนะข้อจํากัดของตะกีได้อย่างไร หรือบางทีคนอื่นเขาประมาณเราหรือบางทีเราก็ประมาทเขาก็วี้นะเขาก็บอกแม่ติดตัวเขาแต่ก่อนนี่เขาดื่มเขาประมาณตัวเขาตอนตันพอเขาเริ่มเก่งบางทีเห็นผู้แข่งที่แบบหน้าให ม, ม่ม า, นะาประมาทจะมีนะบางทีก็ประมานี้ก็แล้เดียวก็ทําให้พแพ้ได้เหมนกันเขาก็บอกไม่ต้องเสอนการใช้ทีของเขามากมายนะ แต่สัอ ม, อมราทำในในกาอาจจะเรียกว่าเรียกว่าข้างที่จะทำให้คนประเทศนี้แก่เนาะเพราะว่าเขาได้มีการเรียกว่าอ่อนข้อใกับาการการโพสที่ขึ้นเขาก็ฝึก เ, เทีนน่ยวเข็นเหมืกับคนธรรมดาไม่มีข้อพิเศษว่าเป็นผลิการเป็นคนนาขนาดไหนก็เป็นตัวแดงเมียไม่มีนะได้เป็นตัวสารองเป็นเรีว่าเปิดเป็นชุดทีมปีตันงนานนะ จนถึงมอ .6 รือได้เป็นชุดผีเองนะก็แบบเรียกว่าเข้าแข่งขันเข้ต่ อ, ตอสู้อย่างเรียกว่าเข้าเทียงขันมามก็เห็นในหลายอย่างหรือแม้แต่วิธีคิดของของพ่อแม่นะที่สอนลูกให้แบบเหมือนคนปกติธรรมดาไม่มีข้อจำกัดนะให้พยายามช่วยตเองให่มากที่สุดแต่มุมหนึ่งที่ที่จมาดูแล้วก็เขาสึก บางทีก็น่าเตียดายที่บางทีเราเราก็เห็นนะว่าความสามารถหรือการใช้ชีวิตของเขาเงินก็ดีแต่จริงล้ว่าบางทีคอามฝันหรือเป้าหมายบางทีถ้าตั้งตั้งไว้ไม่ไม่ถูกเท่าที่ควรบางทีเราก็ใช้พลังงานในเวลาที่เหลือนะไปมุ่งมั่นกับสิ่งที่มันอาจจะไม่ได้เป็นประโยชน์ที่ที่มันมีค่ามากแล้วก็มีค่าในระดับนั้นนั่นแหละแต่จริงว่า อย่การปีนยอดเขาเองก็ดีนะซึ่งนี้เพื่กแบบตัวเองด้วยเนาะแต่ตอนก็จะมีความฝันอย่างจะปีนยอดเขาสูงเหมือนกันนะแต่พอมองย้อนกลับไปแล้วมันก็เราจะปีไปเพื่ออะไรนะบางทีก็มีปีนไปย้อนเพอ่อสนองความพอมองย้อนกลับไปตอนนั้นก็เหมืด น, นคล้ายๆคุณหมอตาตาเองอย่างหนึ่งจะได้ทําอะไรสาเร็จที่คนอื่นเขาทําได้สําเร็จอะนี้นี่ยนะก็อ ม, อมองไป มันก็เริม่มเข้ใาใจนะที่จริงความสําเร็จในทางโลกนะทิงก็จะหลักปัญญาของเราเแหละเพื่อประกาศว่าเราทําะไรสาเร็จมาบ้างเราทําได้เก่งมาบ้างแต่จริงๆมา ค, ค, คิดว่าที่จริงคนถื่นทำอะไรสําเร็จในทางในทางวัตถุในทางแรงางานนะเยอะแยะมากมายน ะ, ะทำอะไรที่สําเร็จเยอะแยะมากมายอย่างแม้แต่ในทางความศรัทธาสิเราก็เห็น ตัทาที่สร้างอะไรใหญ่โตๆสร้างอะไรที่เรียกว่าเป็นสิ่งที่ ท, ทำได้ายากนะคนก็มาทํากันมาเยอะอะไรอย่งนะอย่างได้ไปดูถ้าอจันชะตาถ้ำโรรานะที่ประเทศอินเดียนนะพรก็ดีว่าอาจจะมีโยมไปช่วยนะบุดจอพผนังผนังเอ่อฟ้าเขาเรียกว่าหน้าผานนะหน้าผาให้กลายเป็นถ้ำที่กว้างใหญ่กับอาจจะ หลายติดเมตรยนะหลายติดกท่าเลยนะคนก็ทำอะไรสำเร็จ ก, กันมาเยอะนะมไม่ใช่ยุคเราสมัยเราหรอกนะยุค ก, ก่นอนก็ทำอ ะ, ๆๆๆอะไรำสำเร็จพีดามิดเหมือนนะอียิปตไรต่างๆข้าก็ทาสเร็จมาเยอะครับแต่สังเกตไหมปุตําัมก่อนนะกาทำในสาเร็จนะแต่ก็ไม่ค่อยจะยิ้มขี้ของเขาไว้หรอกไม่ได้บอกว่าจะเีินสร้างให้มีินทานะปังหน่าก็ไมเรอ้ว่าใครเป็นคนทำนอกจากบางคนที่ ประกาศตัดตาเติมเติมไ ว, ว, ว้ว่านี่คือฉันแต่สังเกตไหมบางทีศินลปินสมัยใหม่เนะี่ยบางทีลายเซนนี่ใหญ่เกินภาพาคือบางทีกนะ็ภาพก็สวยนะภาพก็สวยภาพก็ดีอยแต่จะมีลายเซนไว้ตรากับถ้าเราเห็นสมัยก่อนนะถ้าไปดูตาผนังตาผนังวัดโมราณนะศินลปินชาวบ้านือเป็นสมัยก่อนนะ่ะ เราะว่าข้าเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าก็ดีว่าข้าเพื่อศาสนาก็ดีไม่มีลายเส้นความด่างแจะเริ่มมีมน้อยนะต่อมาก็เริ่มใหญ่ขึ้น่านกายเป็นเนะี่ยถ้าเรามีรู้เข้าใจนะกลายเป็นการประกาตัวชตนตัเองขึ้นมาซึ่งมันก็ได้อย่างเดียวอย่างมันกายเป็นมบทีตะล่างมานะะภาษาคับก็คือมาน ะ, นะก็คือ ทิศที่ที่เห็นว่าตนตนดีหรือว่าตนแยกหรือว่าตนเสมอตัวเข้าเลยนะมันก็เป็นมานักอนแต่นี้ดูเพื่อให้เห็นว่าตำลัใจในแง่ถ้าเราเฝ้ากำลังใจในทางที่เรียกว่ามีเป้าหมายในชีวิตให้ชัดแล้วต้องพยายามพุ่มเทกัาการความสามารถของเราให้มันถึงจุดเป้าหมายให้ได้แต่ที่จะมาว่าบางทีเป้าหมายถ้าเรามีชัดนะเราจะ บมดเวลาในชีว so ิตในทางชีวิตที่มันเป็นเป้าหมายที่ไม่ถูกต้องแล้วเจริญแล้วก็วนเวียนหรือกับหรือกับโลกทั้งสามยี่เยใช่ไหมวนเวียนอยู่กับโรกทั้งสามอยู่ในกำเนิดทั้งสี่มีการหน้าทันบ้างมีการทันเดียวมีการสี่ทันอยู่ในพบน้อยพบใหญ่ก็ดีอย่าได้ยินไหมบทเสือมวนถ้าไปเทศเสือมวนก็จะวนเวียนอย่างนี้แหละวนเวียนอยู่ในครบทั้งสามกำเนิดทั้งสี่ แม้แต่ตําเลอะไรมากมายไม่ดีนะแต่ก็คิดว่ามันจะไม่ได้เป็นหลักรัประกันในการทําให้ชีวิตข้ามพ้นจากเรียกว่าพบต่างๆ่างตําเนินทั้งสิ้นแต่ถ้าเรามีเป้าหมายที่ชัดและพยายามทําให้ให้ถึงที่สุดนะถ้าเราใช้ตเัเอนในการในการฝุดจิตใจนะให้มันเข้าถึงติ่งที่เรียกว่าเป็นความรู้ที่แท้จริงอันมาว่าตรเนี้จะทําให้เราก้าม เรียว่าก้าวพ้นจากพบต่างต่ำต่อเนงทั้งดีได้ทําให้ออกี่ยกความทุกข์ได้อย่างแด้จริงในที่จริงใจคนเดียจะได้ยินนะในการส้าวพ้นของคนนุ่มนะเขาเป็นคนพิการแต่ก็สามารถเรียกว่าค้นจากความเรีว่าข้อพิการได้ก้าวพ้นจากความพิการของทางร่างกายก็คือใจลาออกจากความพิการแล้วที่สําคัญนะใจกะลาออกจากความทุกขด้วยไม่ใช่เป็นงพิการอย่างเดียวนะ ใจก็ออกจะควายทุกข์ได้ด้วยซึ่องอื่นมาก็เห็นอ้อที่จริงคนพิการ น, นะอย า, ากจะเอาผลก็เป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะแต่บางทีแรงบันดาลใจในทางธรรมนะถ้าคนในทางโลกอาจจะรู้สึกว่ามันก็มันก็เป็นเรื่องพิเศษ เ, เรื่องพิเศษแตกต่างออกไปแต่ถ้าเป็นความสําเร็จในทางโลกบาทีมันก็ดูใกล้ตัวมากขนะึ้นเนาะแต่จริงอันมาอยากจะให้หมองว่าที่จริง คาสมสำเร็จในทางคําก็ไม่ได้เรื่องไปตัวของเราแต่พิการหรือไม่มีการก็มีการวิใจเหมือนกันมีกายอาจจะแตกต่างกันบ้างแต่ใจมีเมือเหมือนกันแหละมีธรรมชาติเหมือนกันนะรับ โ, โรคปวดลมนะกิเลสปัญญาตระหนาย่อยแฝงมีเหมือนกันแน่นะแต่แน่นตอนนี้เป็นสิทธิเต็มที่ที่เราจะออกจากควกามทุกข์ตรงนี้หรือเปล่าหลวงพ่อความเขียน ท่านบอกว่าคนทุกคนพวกเราทุกคนเยมีสิทธิเท่ากันนะสิทธิแบบไหนที่เท่ากันสิทธิที่จะไม่ทุกมีเท่ากันเคยได้ยินกฎประกาศดิทธิตัวนี้ไหมรัฐธรรมนูญกี่ฉบับก็ไม่เคยประหยัดสิทธิตรงนี้ใช่ไหมสิทธิที่จะไม่ทุกนมีเท่ากันทุกคนซึ่งฟังหลวงพ่อแล้วก็ใช่จริงจิงเรา บางทีเราก็มีข้าอ้างนะมีข้ออ้างว่าเราไม่มีวาสนาหรอกเรามีบุญน้อยเราไม่จะด่าพอหรือบางคนก็อ้างไปไ้วเรากิเลสมากรอกิเลสน้อยแล้วค่อมาเข้าวัดปฏิบัติธรรมแต่บางทีได้ยินข้ออ้างพนี้เยอะนะเข้ออ้างว่าโ่วนี้ฉันกิเลสมากอะไรมาเรื่อยก็พูดในใจบางทีนะ่าชอบเขาก็กิเลสมากแล้วก็ยี่งมาปฏิบัติ พอนน่านมาปฏิบัติตอนนี้นะมันนี่จะมากก่าเก่านะบางคนที่นต่รอเกิเ ด, ดมากแล้วก็มาปฏิบัติบางคนก็บอกว่าช่วงนี้มีภาระมากนะก็บางทีก็พูดในใจเขาภาระมากเขาเลิจาวังนละมาปฏิบัติบ้านนะถ้ามันเจากวางแลแ้วใครจะวางไม่ถึงใช่ไหมเรจะต้องฝึกบ้านนะบางทีเราก็คิดว่าตูบาอาจารย์ท่านเก่ ง, เ, งเราไม่เก่งนะตุบาอาจารย์ท่านมีปัญญามาก เปัญ ญ, ญาเนาะพี่อันนี้ประมาณที่ว่าเนี่ยพวกที่เป็นเรื่องของข้ออ้างกันนะข้ออ้าง น, นะข้ออ้างในใจที่เราให้กับตัวเองหรืบางทีเราทําไปนะบางทีก็มีความทอควาทอใจทําไปแล้วก็ที่จริงความท้อมันไม่ได้เกิดจากการที่ว่าอ่ามันเป็นอุปสรรคที่สําคัญหรอกแต่จริงอพอ้อเราะเรยเองเปรียบเทียบ มีเพื่อนทําด้วยกันได้ยินคนนั้นเขาพูดได้มีคนนั้นเขเข้าใจอย่างนั้นอย่างนี้เราก็มาทดสอบเปรียบเทีเองไม่ได้เอ๊ะทาไมเราทำแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เขาที่จริงในการปฏิบัติธรรมเป็นเรื่องเฉพาะตัวบุคคนไม่ใช่เรื่องที่จะเป็นแข่งกันนะไม่ใช่เรื่องการแข่งขันนะแต่เป็นเรื่องที่ฝึกฝนที่ตนเองพัฒนาที่ตนเองไม่ต้องแข่งกับใครดังนั้นเป็นมาโลกมีวิธีชื่อว่าถ้า กิเลสใครก็กิเลสมันนะไม่ใช่จะเอามาแข่งขันกันว่าใครจะหรือแม้แต่การปฏิบัตินะพระพุทธเจ้าท่านเคยตัดไว้ขนาดว่าการปฏิบัติองรมจันทะร์เนี่ยเราไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อลาภสกสารตัณฑ์เิรเยืนยอนะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อเป็นเจ้ารับทิปหรือแก้รับทิอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่ใช่ปฏิบัติเพื่อนะความสุขความสงบนะที่เป็นผลของสมาธิ แต่ที่แท้กระบวนารนี้นะเราก็พเพื่อเพื่อเพื่อวิลาคะคือความใจถนัดยินดีเพื่อประหารนะคือความร่กิเลสนะเพื่อนิโรทขะคือความหลุดพ้นเพื่อสัตวะละคือความสัตว์รวมนะถ้าเราทำควเอาที่จริงการประพฤติกระบวนกานี้เพื่อสัตวะละคือความสัตรวมอินทรีย์ทางบุตรหมุนลิงกายและ้ว้็ใจ เพื่อวิราทะคือความใจกําหนัดนะความกําหนัดคือความดีดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นก็โผล่ัสสะธรรมารมเพื่อคลายกาหนัดความดีดีในเรียกว่าในสิ่งต่างๆเหล่านั้นเพื่อปะหานะปะหานะคือการประหานปะหานกิเลสปะหานกิเลสออกปจากเิตใจเพื่อวีโรทะคือความเบื่อผ พอตั้งเป้าหมายถูกนะโอการปฏิบัติธรรมนี้ก็จะไม่ติดทางเลยนะไม่ใช่เป็นบัตรเพื่อให้คนอื่นเขาย่องย่อมเขาสารเสริญไม่ใป็นบัติเพื่อให้คนอื่เขาดูดูเยอะรค้สว่าเราเป็นคนดูดีนะไม่ใช่นะจริงเราปฏิบัติธรรมไปเพื่อเองตางนี้อันนี้ไม่ได้พูดปากร้ายนะแต่พูดเพื่อให้เราย้ํากับจุดหมายในการปฏิบัติธรรมที่ชัดเจนเมื่อเราชัดเจนกับการปฏิบัติธรรมจะไม่หลกนะไม่หลงทาง แล้วการปฏิบัติธรรมก็อาจจะไม่ใช่แค่รูปแบบตรง น, นี้โดยวยกยได้แต่ถ้าเราทำอะไรแล้วต้องพยายามรักตัว ต, วตวนนะรักสิ่งที่จะทำให้เราสำคัญว่าเราเราดีเราเก่งเราใหญ่อนะไระรักไปด้วยนะยิ่งดีนะทำอะไรก็รักไปพร้อมนะยิ่งดีแต่เคยไปมาเคยไปไปดูงานที่ที่มูลทิงชี่จี้นะประเทศไต้หวันเคยได้นนะ ที่ประเทศไทยเรามีพิสูจ น, น์เป็นคนนาอยู่คนหน่งหมดที่เขาจะทํางานพวกสารหน้าสมคราะต่งตางๆได้อย่างนะแต่เขาก็เอาดัชนีสมคัครมาใช้เวลาอาสารสมรคัครไปช่วยเหลือคนอื่นนะเขาก็จะสอนให้อาสาสมาคัครนี่ขอบคุณนะการเลิมคือคล้ายๆทราประสาทใก็แขอพอบคุณเป็นอย่างมากปกตินะคนรับใช่ไหมก็จะเประเนทีขอบคุณ แต่นี้คือคนให้เป็นคนที่ขอบคุณคือเพราะอะไรถ้าไม่มีคนรับเขาก็ไม่ได้แสดงความผู้ให้เขาขอบคุณที่คุณให้โอกาสเราในการทําความดีแต่บางทีนะเรสังเกตบางทีคนให้อส่ว น, นใหญ่นะให้กันแล้วนี่จะมีจะมีเกิดเส้นว่าเป็นผู้ให้ขอบคุณทัานสิหรือ <c oughs> อันนี้ยอาจจะพูดออกมาในใจหรอพูดออกไปนะ แต่จะพู้ในใจหรือเป็นความรู้สึกว่าเราเป็นผู้ให้นะเราเป็นผู้ให้แต่ถ้าเรารู้สึกว่าเออให้ไปแล้วก็จบให้ไปแล้วก็รู้สึกว่าที่จริงเราไม่เค่เป็นผู้ให้แต่จริงเราเป็นทั้งผู้เป็นผู้รับด้วยเป็นผู้รับโอกาสที่ได้ให้นะที่จริงก็ไม่มีใครเป็นผู้ให้และมีใครเป็นผู้รับอย่างเดียวเป็นเป็นทั้งสองฝ่ายเป็นผู้รับทล้ายๆทำ ทำบุญทำทานไปพร้อมสะกดตัวตนนะที่จะเป็นหลงยึดว่าเราให้เราใหญ่เราดีออกไปพร้อมนะถ้าทําแบบนี้นะดีนะดีแต่ถ้ า, าไม่ฟังแบบนี้นะก็จะกลายเป็นทําอะไรเพื่ อ, วอหวังผลนะตอบแทนหวังนะคำสรรเสริญเยีนยยอขึ้นมันผิดทางเลยนะมันผิดทางอันนี้ก็พูดให้พวกเราได้เข้าใจเป็นหลักการทางทางพุ ท, ทธศาสนานะ ที่ทำอะไรก็ได้แต่เรียกว่ารักหวางตัวตนไปพรนะ้อมบางทีอย่างจะ่มาได้ยินประวัติของบุงคนบคนางคนเราก็รู้สึกว่าเขาเป็นผู้ให้ที่ยิง่งใหญ่นะให้ใทางธรรมนั้เลยนะรก็เราเคยได้ยินเรื่องเจา้าโสมมห า, านะราชนหมโสมมหาราชเป็นเป็ น, เ ป, นเป็นกรรษัตริย์ที่ในประวัติศาสตร์อีกเดียนะ่าจะเป็นผู้ที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดในอินเดียเลยครับเจ้าท่าน เสาลพระเจ้ า, าโศกนะครับหมสิ่งนั่เป็นในัี้ต่ในางประเทศอินเดียนะพระเจ้ า, าสโสดกไม่ใช่แต่เป็นมหาราชของอินเดียแต่เป็นนี่ว่าเป็นมหาราชาที่ทําห้ความรู้ว่าพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่สุโภชนนะึี้นะท่านเกิดไม่ทันที่พุท ธ, ธเจ้าแต่ตอนนั้นเปาเกิด ม, มานับถือพุทธศาสนาแล้วก็สร้างหลักฐานแปดหมืสี่พันแห่งให้รู้ว่าพระพุทธองค์ท่านเสด็จไปที่ไหน ไปทำอะไรในที่นั้นๆสร้างหลักษาสร้างวัดมีรูปเป็นพิสูจเป็นพิสูดีที่เป็นพระอรหันต์ของคู่นะแล้วก็มีบุญคุณต่อพุทธศาสนามากมายทักเรีว่าทำบุญทาทานทำนุ่งรุงพระาศาสนาทำนุ่งมุงประเทศชาทเรียกว่าปกครองเลยเียกว่าตตศทศนิราชธรรมนะมีเรียกว่ามีธรรมไปจระจายทั่วทุกเหล่าตแกงปรโยชื่อช่ไหม ขณะที่เจ้าสกทําแบบนั้นนะมากมายมหาศาลตอนก่อนจะตายนะะเจ้าโศกจนลูกคนหนึ่งที่ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการสมคกรรทางของพ่อยึดได้ราชสมบัติขังพ่อไว้ไม่ให้พ่อมีทรัพย์สินสมบัติรู้สึกว่าพ่อใช้จ่ายสมบัติมามากแล้วแท่ที่จะเรือให้เกิดตัวคลองต่อไปก็ก็เอาไปใช้ตรงนั้นไม่เกิดประโยชน์ลูกติดตรนั้นเจ้าโศกเกิดความเสียใจ ที่เคยทําบุญทาทานมามากแต่ตอนนั้นไม่ได้เงินสักบาทก็ไม่ดีแต่ทําทานก็เสียใจยก็ตายไปขณะที่จิตเสียใจแบบคือ ว, ว่าไม่มีโอกาสได้ทําบุญเด็ดที่เป็นวัตถุดังนั้นพระเจ้าสพตายเด็จะเป็นไรเลยนะเป็นไรคนทําบุญขนาดนั้นน ะ, ะเป็นงูเหลือม อ, อยู่ในค้องพระโลงสมบัติของ เมืองตัวเองนะแหละเป็นมุญเดียวนะเต้าสมบัติขนาดทาบุญแบบมหาสาลมากนะพอเราฟังเนีโอ้ที่จริงการทำบุญที่ไายนอกเนีย่ยไม่ใช่หลักคาประกาศที่ชีวิตในอนาคตมันจะดีางามเลยนะแต่ไม่ใช่ว่าไมนนะ่มีผลนะมีแต่ก็เหมือนว่าช่วงที่ก่อนจะตายตายมืมต่อไปหน่อยหลงหรือว่าหัวเป็นสม บ, บัติที่เคยมีหลงแต่อย่ากทาบุญที่เป็นวัตถุทาน แต่พอตอนนังด้วยลูกชายที่เป็นพ่อก็รู้ว่าพ่อไปเกิดในภพภูมิไหนเป็นอะไรก็ก็มาโกรพ่อที่เป็นมือเรือก็บอกบอกพ่อจะได้็นมืองเรือว่าพี่จริงพ่อก็ทำดีทำทานมาเยอะแต่ตอนจิตสุดท้ายเป็นหงศ์เปาปเป็นหงศ์ในต่างๆก็เลยต้องเกิดเป็นมเรืองอาอยางนี้นะแม้พ่อเป็นเมืองแล้วแต่พ่ออยากจะจับกินโนูที่ยังไม่ตายนะจะเป็น จับกินสาที่ยังมีชีวิตอยู่ถ้าเด็กินเลื่ไปตามชีวิตก็กินเฉพาะที่ต า, ตายแล้วมียาตัวโที่เป็นโมเลกุลก็เชื่อรู้ยต่อไปก็รักษาเติดมากเช่นครับก็ไม่ติดติดมีชีวิตนะเขากินเฉพาะติดดีชีวิตติดที่ไม่มีชีวิตสุดท้ายที่ตายไปก็ได้ผลสวยสุขภาพควบคุมที่ดีขึ้นก็ไม่ได้หายไปไหนแต่เพียงว่าตอนนั้น มันปิดมันปิดตัวปัดภไยในไปเพราะว่าคือความโด่ที่ชั่วคราวเท่านั้นเราเห็นเลยว่ามังติดจริงแม้มม ท, ทําบุญทำทานกานเนี่ยแต่ถ้ายังประมาทยังไม่ตดวงตาเห็นธรรมะมันก็พร้อมทีตกในคกองปทูที่ทียกว่าถังลงไปได้ น, นั่นนะพวกเราเดี๋ยวประมามะทมื่ที่ฟังเรื่องพวกนี้นะเห็นเลยว่าแม้จะคนที่ทํำสุดประโยชน์มากมายก็จริงแต่ถ้าไม่มีธรรมะมาตสดตากกชีวิตมัน บุงทีมันก็เกิดในอางที่ตัดได้แต่เขาไม่ต้องเสียใจว่าเราไม่มีอะไรมากในที่จริงถ้ามีอริยทรัพห์ในใจทำใจไม่ถูกนะแค่บางคนเคยทาบุญกับพระพุทธเจ้าขั้งหนึ่งนะติดมีปิติตายไปไปสู่สุคติภูมิเลยก็มีบางคนอาจจะไม่ไา้บุญแค่ฟังธรรมติดฟิกนะ เป็นตรงตุลาธรรมนันก็เข้าสู่เรียกว่กระแสะรุทธธรรมได้พอดีนะอันนั้นทําแต่ จ, จะดีนะทําให้สึงใจนะรากกิเลสที่นในใจด้วยรากตัวตนที่ในใจด้วยเป็นติที่ดีนะมันจะช่วยเราได้ น, นะอาจารมาก็พูกยาวไปเลยนะ <c oughs> ตั้งแต่กายเป็นติพระเจ้าพระโสดนะอันนี้พูดให้พวกเราฟัางนะให้เราเห็นว่าที่จริงก็สําคัญกันนั่นแหละ สำอพันเจตนะอันนี้ไปพูดต่อนี่ยนึงก็ได้นะอันนี้ไม่ไดยืนยานนะอันนี้ได้ฟังมาอย่างเพราะเราได้ยิว่าทศบาลอยู่จัวอะไรนนทบุรีเอทไมถึงชื่อว่าทศตาลันเ้าขอทนพอดีเราเรียกท่านพ่อดีเลยท่านพ่อดี้าท่านพ่ดีท่านก็ เหมือนอันนี้ท่านคงระึกชาติได้ว่าแต่ก่อนท่านเคยเป็ะเจาโสกนะท่านก็เกิดมาจอทั้นไม่รู้วิธีความจริงชาติจสุดท้ายที่เราเป็นคนที่ยากจนอยู่ในชนบทแต่แต่ก่อนเคยมีสติธรรมมากมายจะสุดท้ายก็เป็นชาวชนบทไม่มีเงินมีทองไม่ได้ทํายูทางทางแต่ก็มีโอกาสให้บวชเป็นพระจะนั้งเข้าถึงวัฒนธรรมยแท้จริงั ท่านต่เล่เนี่ยตั้งวัดโสระสมตารามเป็นที่เรียกว่าอดีตเ้าขอเคยศึกษพระเจ้าจักรพรรดิที่มีใหญ่แต่ตอนนี้ก็หมอกรษทีเรียกว่าทาผุดภายในแผ่นอันนี้เป็นเกรดที่ตุบาจารย์ท่านเล่าสู่คนแต่ก็เห็นนะเมื่อกี้พบคุมหนึี่กันได้จากเตยเป็นตาตาตาเป็นเป็นโมก็มีกาเป็นคนเชนบท ไม่มีเันมีทองก็มีเน่ยมันคิดได้ น, นะแต่ถ้าไันไหนที่เคยตัดตันมันก็พร้อมที่จะเรียกว่าให้ผลดีแต่อาจจะเพราะว่าแนวคิดเราโสดก่อนนท่านเคยทำให้ครอบครัวเป็นอยู่ไม่มีเพื่อสงครามเพื่อความผง่เขดกอนที่จะทหรือจะสนนาก็านเลยต้องไปมีมีบากบางที่ต้องที่ต้องทำหน้าทุจริตใช้ชไปเลยต้องไปเกิดแ บ, บ่นั้นบ้างแต่ถ้าเหยนว่าเอมันก็เปลี่ยนได้นะ เปลี่ยนจากไม่ดีไปเป็นดีเปลี่ยนจากดีแล้วกลายเป็นลมก็ดีจากลมแล้วก็กลายเป็นรู้ก็มีแต่เห็นว่าว่าแตา่วาแต่สงสามนะมันมันยาวไกลอันนี้อย่างดีนะยังวนเวียนอยู่ในพบมนุษย์ถ้าเราเคยวนเวียนอยู่ในพ ว, น ว, ว, นนพวที่อันที่มาพูดนะพบสวรรค์ก็ดีพบนรกก็ดีมันนานนะมันนานแต่ประมาณนะแต่ประมาณหนึ่งชีวิตแต่ เวละเก่าไหร่น้องค ะ, ะได้ภาวนาเั็นว่าฝ่ามิถานไปเยอะก็บอกปวดนานมิถานเอยอะอางเนี้ยเขาได้ก็พอใจที่วมิถานนึงจริงนะนึงจริงเป็นพระสิสุทาวหอตลอดใจวกันแต่เราได้ภาวนานะค่ะปะษษดรรวดขาปัปไหมรู้สึกไหมตอนนั่งดูดูวีดีดีเนี่ย ประมาณ 4-5 นาทีไม่เคยปวดนะนั่งสี่สิบนที่ไม่ปวดแต่ถ้าเรานั่งปฏิบัติในอดตปิดที่สิบนาทีอาจเดิมปวดนะอาจลองเปลี่ยนรียืนลดน้ำไปได้นะไปเกินเดินคลมก็ตัดนะเดิน ช่วงดูช่วงฟงบ้านนะแต่รู้สึกว่ามันมันได้เป็นเป็นเรียกว่าเป็นคิตเป็นอ่านตงเปิดใจมาทำในยิ่งไปจำอะไมนะมีอะนะอ่า คิ่จมันก็เกิดได้เห็นว่าเมื่อกี้นะครับเร็วหรือว่าความคลือค่อนชินเก่าๆมันมันยกว่าอาไปเรียเอาสติหายไปเลยเพราะวราต้องพูดทํามต้งพูดเร็วคิดเรวทำาร็วบางทีจะอรกระทบบทีไม่คด้ขันเพราะฉะนั้นการฝึกขัดในรูปแบบ็เลยเป็นเรื่องที่ที่สาคัญและจาเป็นต้อนมาเจอ แต่บางขนาดเลือกไม่ได้ทำ แ, แบบนี้ก็ต้องพยายามฝึกในทิ่ทจริงนันแหละนะยืนเลยนั่งน้อยทําแบบไหนก็ทําให้มันได้นะแม้ไม่ไปริงไม่ไปตามนั่นไม่ค่อยหยอดไปก็ดีนะอย่าไปรออย่าไปรอแบบอธิบดีปรนะจำวันเดียวช่วงหนึ่งแบบนี้ยไม่ได้ดีนะม่ไป น, น้อยไปกดีนะทีเดียวมันก็เปรียบเทียบ เ, เหมือน เหมือนทำบุญทำทานนะทำบ่อยๆทำทุกวันนะเป็นนิสัยความเป็นปคิดดีกว่าทาก้อใหญ่ครั้งเดียว <c oughs> อย่างเราสอนเด็กเนาะให้หย่อนตัวประปกอบสีทุกวันนะลูกแต่พ่อแม่ไม่เค้หย่อนนะพ่อแม่รอเราเดินต่อเราจะหยอดทีไหน <c oughs> ใช่ไหมแน่เนี๋ยวนนะี้คืองทีเราสึกความเป็นคิดที่ทำความดีว่า รู้สึกโดยบ่อยอ่ะดีกว่าเพราะว่าอะไรกุศลที่ทำไปบ่อยมันจะเป็นวาสนาเป็นสัยะไม่ต้องรอไม่ต้องรอนะคือว่าเก็บใจพร้อมค่อยทำไม่ใช่ทำตอนนี้เลยนะหลวงพ่อบอกว่าอย่ารอโอกาสให้ฉวยโอกาสหลวงพ่อเขเขียงนะบอกอย่ารอโอกาสไปเข้าวัดปฏิบัติธรรมราไปเข้าคอสนะให้ฉวยโอกาสทุกเวลาที่มันว่างอะไร อยากรู้สึกตัวไปมีแม่แต่บางทีไปนอกมันไม่ว่างนะบางทีทำงานทั้งวันเลยนะแม่แต่อยู่ที่วัดก็มีบางทีทำนั่นทำนี่ทั้งวันจะสวยโอกาสภาวนาในเรื่องแบบบางทีขึ้นไม่มีเลยนะก็ต้องสวยโอกาสรู้สึกตัวในในการทํางานนั่นแหละนะรู้กายรู้ใจรู้ตังผกระทบรู้เอาตรงตัเองไปนะก็เฉลยการู้ตัวนั่นแหละบางทีมันเลือกไม่ได้ก็เห็นปัจจัย มันไม่เลือดแล้วก็ําไปแต่จริงแต่บอกว่ามันไม่เลือดก็ไม่ใช่นะมันเป็นเหตุปัจจัยอีกรูปแบบหนึงเด็ดเลยบางทีรู้สึกไหมถ้าเดินจงกร ม, มนั่งยดมืออารในปัจจุบันมันไม่ค่อยเด็ดใช่ไหมตามตาตามหูตามจมูกตามนิ้วทางกายในปัจจุบันมันไม่ค่อยเด็ดนะยังอยู่ในห้องนะสีเหลืองทองไม่ค่อยเท่าไหร่นะไม่ค่อยทําให้ ฟุ้งตาตาเท่าไร่หูเขาไม่ค่อยฟุ้งอาจจะฟุ้งจัดแตมาบ้างนิดหน่อยไปนะจะยืดกายใจก็ไม่ค่อยเท่าไหร่อันนี้เรียกว่าตาคนที่เกิดขึ้นกับปัจจุบันอันไม่เด่นเท่าไหร่แต่จิตเราจะไหลไปที่ไหนไหลไปไอเดียเสียน้าไหลไปไอเดีไหลไปกับความคิดไหลไปกับการปรุงแต่งความประงวลในนาำเ บางทีนะเห็นมเราจะสังเกตนะเวลาปจุบัติในรูปแบบนะมันอยู่ในลู่เดินทำซ้ำนั่งยกมือเดิมๆอาวุธในปัจจุบันไม่ค่อยเท่าไหร่นอกจากบางครั้งเวทนาเกิดขึ้นต่างๆก็จะกลับคมาตืนใจอย่นี like ้แต่มันจะไหลในอดีตไปนะคิดไปนานคนเยอะแต่ถ้าสังเกตดูในชีวมันจะมันบางทีมีงานจะเพาะหน้าเยอะแยะมากมายบางทีมันจะไหลไปโรงานเน่นะ ในปัจจุบันนั่นแหละกับงานที่ทํากับคนที่พูดกับสิ่งที่เห็นจากเสียงที่ได้ยินะมันจะไหลไปในปัจจุบันมาทีเ่เด็กที่จริงไม่แตกต่างกันไหลหรือหลดไปอดีตปัจจุบันในอนาคตก็หลงเหมือนกันรู้ว่ามันไหลไปอดีตรู้ว่ามันไหลไปอนาคตรู้ว่ามันไหลไปในปัจจุบันก็มีค่าเท่ากันมีค่าเท่ากันนั่นเราก็ต้องฝึบาง ท, ทีสนามฝึกฝนนะ เราเลือกไม่ได้แต่แเราเลือกที่จะวางใจใหม่ในากางรูปธรรมมันได้มันก็เป็นข้อข้อข้อดีนะข้อดีในการที่ออเราฝึกทั้งรู้ธรรมทั้งการอยู่ในรูปแบบแล้วก็รูปธรรมทั้งการเรียนรู้กันฝึกผลในนอกรูปแบบเลยนะมันจะสมบู ก, กันใครมีข้อสงสัยอะไรไหม เรื่องการภาวนาเรื่องการเจตหันของเราติดอารมณ์ติดตามมปากหรือว่าไม่เข้าใจยังไงจะไปทำต่อได้ถูกเข้า ใ, ใจดีเหมือนเดิม เราปฏิบัติจริงจรงเขาติดเรู้เลยหรือเปล่าหนึ่งหรือว่าบางทีคนไม่รู้จะถามอะไรสงสัยไปหมดตลอดนะหรือบางทีไม่คาถามกลัวกลัวกลัวแต่เองไม่รู้หรือเปล่าไม่จริงนะถามได้ถ้ามันมีพอจะมีทั้งน้ั้ถามอต่ไหนไม่รู้ไม่เข้าใจแต่ถ้าไม่ใช่เรื่องอะไรพอเก็บไปดูก็เรียนรู้ไปก็ได้ ดีมากถ้าไม่มีล้าจะได้ตอบถ้าีเราจะได้อไปถ้าไม่ดีนะไม่เป็นไรหรอกนะแล้ว่านมาพูดให้ฟังเข้าๆเข้าไปแล้วก็ไม่เข้าใจวันนี้ไม่เป็นไรไม่ค่อยทไปอที่เข้าใจแล้วก็จะขึ้นไปแน่ใจก็มันเข้าใจดูไปเรื่อยๆ บางทีสิ่งที่เราเราว่าเข้าใจบางเรื่องอาจจะรู้ว่ามันยังเข้าใจไม่หมดยังเข้าใจไม่เต็มพอยังไม่พ้นทองแล้วก็ดูไประดับคามรู้ความเข้าใจนั้นก็มีหลาระดับหรือแม้แต่บางอย่างที่เราเห็นว่ามันดีแล้วถูกแล้วตรงแล้วพราะฉะน้นเราเป็นกับมารู้ว่าที่จริงก็เป็นอุบายหนึ่งของกิเลสเอง ก็ค่อยๆดูไปไม่ได้กีดหรอกแต่เป็นประสบการณ์ของจิตที่มันเกิดการพัฒนาเรียนรู้มากขึ้นอาจะค่อยสังเกตไปเรื่อยๆนะพยายามนั่งรู้สึกตัวไปถ้ามีอะไรก็กลับมารู้สึกตัวก่อนก่อนพูดก่อนทํำหรือขณะทคิดก็พยายามยื้ททำตัว เ, เองด้วยนะนสังคมก่อสจำควรนะแบบการพากนะ อระหังมาสัมุโธขะคะวะปุถานขะะวันตาณิวาเทวาขะโตขะคะวนตาธรมโมธรรมังนัมัสสะ สต ah ิปัณนพภาวโตสาวกสังโคสัมทานมา